สิกขาบทวิพังเจ็ดร้อาคำว่าก็ภิกษุณีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงมาตุคามที่อุปสมบทแล้วคำว่าอยู่คลุกคลีกันคือที่ชื่อว่าครุกคลีกันได้แก่อยู่คลุกคลีกันทางกายและทางวาจาที่ไม่เหมาะสมคำว่ามีความประพฤติเลวทรามคือประกอบด้วยความประพฤติเลวทรามคำว่ามีกิจศัพท์ในทางเสื่อมเสียคือ มีกิติศัพท์เสื่อมเสียขจรไปคำว่ามี เ, เสียงไม่ดีคือเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะเลวซามคำว่ามักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์คือเมื่อถูกสงฆ์ทำกรรมแก่พวกเดียวกันก็คัดค้านคำว่าปกปิดโทษของกันและกันคือปกปิดความผิดของกันและกันไว้คำว่าภิกษุณีเหล่านั้นได้แก่ภิกษุณีที่อยู่ครุกคลีกันคำว่าอันภิกษุณีทั้งหลายได้แก่ อันภิกษณีเหล่าอื่นภิกษณีทั้งหลายที่ได้เห็นได้ทราบเพืงว่ากล่าวตักเตือนว่าน้องหญิงทั้งหลายอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิเลศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษณีสงปกปิดโทษของกันและกันน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสันเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้น พึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่สถ้าพวกเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอาบัตรทุกกฎพิกษุนีทั้งหลายได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอาบัตรทุกกฎพิกษุนีเหล่านั้นอันภิกษุนีทั้งหลายพึงนํามาท่ามกลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่าน้องยญิงทั้งหลายอยู่ครุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิจศัพท์ในทางเสื่อมเสีย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 พิกษณีเหล่านั้นอันสงพึ่งสวดสมรูภาส